สำหรับคนคนใหม่ก็ฟังไปก่อนก็นแล้วกันเนาะก็เรื่องของการภาวนาอามาอยากจะให้เป็นเรื่องนี้ล้วนๆนะเพราะว่าอามาก็มีประสบการณ์เหมือนญาติโยมคือไปฟังพระที่ไหนก็หรือจัดอบรมภาวนาอาวามตนั่นเลยภาวนาที่ไหนก็เราจะได้รับการ กล่อมด้วยคําพูดกล่อมด้วยสํานวนภาษากล่อมด้วยพิธีกรรมอะไรต่างๆเนี่ยมันเอาไปมามันกบเมานะเมาพิธีกรรมเมาภาษาใช่ไหมแล้วก็เมาหลักการเมาวิชาการมันก็จะเป็นอย่างนี้ามาก็เป็นงย่า น, นตลอดซึ่งมันทําให้เราเนิ่นเนิ่นช้ามากมีวันหนึ่งหลวงพ่อเทียนเรียกอาจารย์โกวิดไปพบ ถามอาจารย์กวิตว่าอาจารย์กวิตผมได้ยินคําว่าปะปัญจะทำเนี่ยผมไม่รู้ว่าคำนี้มันหมายความว่าไงเพราะผมไม่รู้ปริยัติอาจารย์กวิตนะให้ไปหาให้ทีว่าไอ้ปะปัญจะทำเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะฮะอาจารย์กวิตย์ก็ขมีขมันเลยนะไปหาไปเจอคําว่าปะปัญจะทำทําให้เดินชาตัญหามานะ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 อาสวะขยายนคืออนาคตแต่จูู่ประปัญญาคือการเกิดดับเป็นปัจจุบันอดีตอนาคตปัจจุบันทั้งสามการนี่เราก็พูดไปถึงเรื่องการเกิดการดับแต่วันนี้เราพูดถึงเรื่องประม้าดแต่ไม่ ห, ไหมายความว่าจูจ่ๆไปโดูใส่ปลาม้าดเลยนะขึ้นต้นไม้ทุกคุณไปยอดไม่ได้มันก็จะตายขึ้นต้นไปนะแต่เมื่อวานเนี่ยมาที่วายให้เห็นว่ า, าการจะขึ้นต้นไม้ตัว น, นี้จะขึ้นอย่างไรนะจะขึ้นอย่างไรก็วิธีขึ้น ตั้งแต่ต้นถึงยอดเาจะขึ้นอย่างไรแต่วิธีวันนี้ลองจะพาขึ้นดูนะแต่ไปขึ้นที่บ้านนะจะบอกวิธีทําก็ะไดนะทำก็ะไดเป็นขั้นเป็นขั้นว่าจากต้นขึ้นไปถึงตัวปรมาภิคการเกิดดับเนี่ยคนจะขึ้นอย่างไรซึ่งเราโชคดีตรงว่าได้พบหลวงพ่อเทียนเพราะหลวงพ่อเทียนหลังจากท่านเดินทางตั้งแต่ต้นไปถึงปลายแล้วเนี่ยคืออาจารย์อื่นพอท่านต้นไปถึงปลายมันก็ไปเลยนะ แต่ลวงพเทียนกลับมาเอ๊ะมาถึงทะลุทางเส้นนี้ได้อย่างไรมาถึงตรงนี้ไดไ้แล้วก็ท่านพยายามเดินกลับมามาต้นทางใหม่ต้นทางใหม่แล้วก็คลื่นไปเดินไปถึงไปถึงจุดสุด ท, ท้ายกลับลงมาทบทวนอย่างเนี้ยหลายครั้งตามประวัติบอกว่าพระพุทธเจ้าหลังจากจะ่สู้แล้วท่านเซอรวิมติสูอยู่49วันอันนั้นแหละคือการทบทวน ของพระพุทธเจ้ากลับไปกลับมากลับไปกลับมาเรื่องปฏิสุบะเรื่องปัจจัยาการเรื่องอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นอ่ะเจรอบรอบละเจวันเป็น49วันท่านใช้เขา้าไปเสิร์ฟวิมุติสุเพราะฉะนั้นเองในการที่เราจะไปถึงยอดเราจะต้องมาถอดนะสมมุติว่าธรรมะหรือปรมัตาหรือสภาวธรรมหรือสัจจะหรือการจัดสรุอะไรก็แต่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 แต่ถ้าอยากจะให้มเมล็ดพืชเมล็ดนี้มันงอกงามขึ้นตามลำดับแล้วกลับเป็นมเมล็ดพืชเมล็ดใหม่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยจ ะ, จะต้องนำไปที่ไหนจะต้องนาไปที่ไหนเอาไปลงดินนะถ้าดินนั้นเอาโยนลงดินปอกเป็นดินที่ใต้ถุนเรียนได้ถุนบ้านงอกไหมไม่งอกเพราะอะไรไ ม, ไ, มไม่เจอแสงไม่เจอน้ำไม่เจอแสงใช่ไหมเอาละฉันก็จะรดน้ำเธอขาดน้าก็รดน้ำไ้เลย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 จนกระทั้งมาเป็นวิปัสนาภาวนาทีนี้มาวิปัสนาปัจจุบันอีกก็ต้องดูว่าวิปัสนาแบบไหนวิปัสนาพาณิชหรือว่าวิปัสนาแบบพุทธหรือว่าวิปัสนาแบบบิสเนตหรือธุรกิจเนาะวิปัสนาธุรกิจอย่างงี้นะก็จัดคอร์สเก็บค่าคอร์สเท่านั้นเท่านี้หมอคงไม่มีใช่ไหมค่าคอร์สค่าลงทะเบียนมีไหมงั้นนี่เดี๋ยวเข้าเนื้อตัวเองพูดไปพูดมาเข้าเนื้อตัวเอง มีปาษชนาธุรกิจมีปาสชนาพาณิชย์นะ Inside Business อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอามาก็เลยว่าอเงินไขมันยมเยอะเลือเกับมันเต็มไปได้วยสิ่งที่ลกลุงหลังมากทีนี้มาในวิธีการของหลวงพ่เทียนที่มาพยายามที่จะสอบสวนทวนหลักทั้งหมดเนี่ยมันเป็นอะไรก็ได้มาทราบว่าคงสร้างทั้งหมด ที่พูดมาเมื่อวานซึ่งหลายท่านที่ไม่ได้มาเมื่อวานก็ขออภัยด้วยนะไม่สามารถจะทบทวนกลับไปอีกเพราะเวลาเราจํากัดจากนั้นดึงขอต่อเลยว่าเมื่อเราพูดถึงเรื่องรูปนามก็หมายความว่าเอามาล็ดพืช ต, ตรงนี้มาลงในรูปนามเพืจริงแต่ว่าเราจะต้องลดน้ําคือจะต้องมีสัทธาสัทธาเหมือนน้ําที่ลดลงไปเราจะต้องมีแสงแดดคือมีความเพียรความเพียรเหมือนแสงแดด นะเราจะต้องมีสติมเมล็ดนี้พร้อมที่จะงอกแตกงอกขึ้นมาบางทีมเมล็ดมันบอดก็มีใช่ไหมปลูกไปแล้วมันไม่แตกก็มีเพราะเมล็ดนั้นอาจจะรีบบ้างเป็นมแมลงบ้างมเมล็ดไม่สมบูรณ์บ้างแก่ไม่จัดบ้างเนี่ยนะถ้าเรามีสติที่สมบูรณ์มีสติที่ปกติไม่วิกลจริตไม่ผิด อ, อะไรล่ะโลกจิตโลกประสาทอะไรต่างๆเนี่ยถือว่ามเมล็ดที่สมบูรณ์แล้วมีสมาธินะมีสมาธิ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 แต่ศรัทธามี2ลนะักษณะหนึ่งศรัทธาวิถีพุทธสองศรัทธาวิถีพราหมณ์ซึ่งตัวนี้ถ้ามันมีบอดมีอะไรก็จะแต่ว่ามันก็จะไม่ทันใจะนะเพราะว่าวิธีการที่จะต้องไปถึงสาระตรงนั้นเราจะไม่เสียเวลารุ่มร่ำกับเรื่องเหล่านี้ว่าวิศรัทธาวิถีพุทธก็คือศรัทธาที่จะนําไปสู่การกระทําด้วยตนเองเลือกกรรมวิศรัทธาแล้วก็รู้ว่าทําแล้วผลมันจะเกิดอย่างไรวิปากรรมวิปากรสรัทธาและผลนี้ต้องตกกับตัวเองแน่นอน กรรมศักดิกาศัทธาแล้วก็เรามีศรัทธาต่อคําสอนของผู้รู้จริงเท่านั้นผู้รู้ไม่จริงเราก็ยังไม่ตัดสินใจนั่นจะใช้คําว่าตถาคตถาโพธิศรัทธาศรัทธาในความรู้ของผู้ผู้รู้จริงผู้แต่รู้ผู้เข้าถึงธรรมนะเพราะฉะนั้นศรัทธาจะเกิดในลักษณะอย่างนี้หนึ่งเราต้องลงมือเอง2รู้ว่าลงมือแล้วผลมันคืออะไรสผลนั้นต้อง สัมผัสได้พิสูจน์ได้ด้วยตัวเอง c, <c <oughs> เป็นหลักคําสอนที่เป็นการตรัสรู้มาไม่ได้นึกคิดในแง่ของฟิโล o ซฟีไม่ได้นึกคิดในแง่ของ <c oughs> ไซโคโรชีจิตวิยาปรญ า, าหรืออภิปรายานะแต่ว่าเป็นการประจักษ์แจ้งเขาเรียกว่าตรัสรู้หรือประจักษ์แจ้งก็เป็นเป็น e n l i g h t เทมเพนนะมันไม่ใช่ฟิโลโซฟีแต่เป็น enlightened, enlightened, นะ Light เอลไลท์เอลไ l i g h t ท์แปลว่าสว่างข้างในเอลไลท์สว่าง นะสว่างกระจ่างขึ้นมานะเป็นลักษณะที่เป็นประจักษ์แจ้งขึ้นมาเป็นเอ็กซ์เพียขึ้นมาดังนั้นลักษณะอย่างนี้เราจะตอนนี้เราแน่ชัดแล้วว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าออท่านได้มาจากการตัดสรู้แล้วมาผ่านเกจีอาจารย์ต่างๆอาจารย์เกจีต่างๆท่านก็มาพิสูจน์เมื่อพิสูจน์ได้ได้รับผลอันนั้นเมื่อได้รับผลแล้วก็สืบทอดกันมาตั้งแต่พระหันองค์แรกคือพระอัญญาโกลทัตยะจนถึงองค์ล่าสุด ที่เรากำลังติดตามท่านนะตั้งแต่พระเกจิอาจารย์ตามลำ ด, ดับมาซึ่งจะเป็นใครบ้างก็ไม่รู้่แต่รวบรวมแล้วท่านเหล่านั้นพูดตรงกันว่าในการกระทำนั้นถ้าประกอบด้วยศ <c> ร <oughs> ัทธาความเพียรสติสมาธิปัญญาคุณก็ไปถึงเป้าหมายแ น, น่นอนนะเมื่อเป็นอย่างนั้นตัวรูปนามของเรานี่ถ้าเอาตัวรู้สึก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 เพราะไม่มีอะไรปกป้องนั้นที่เรามีเวลาเย็นร้อนอ่อนแข็งแข้งตึงนี่ถูกต้องแล้วเพราะเราจะรู้ระดับว่ามันเข้มแค่ไหนเรื่อจะเอาชีวิตนี้รอดถ้าเข้มมากกว่า น, นี้เราไม่รอด น, นะเราก็มีการปกป้องตัวเองใช่ไหมมีการบําบัดมีการกำจัดมีการดูแลรักษาร่างกายนี้ให้อยู่ในระดับเวทนาที่เราพอทนได้ทีนี้ในลักษณะของพุทธธรรมเนี่ยท่านให้ทนต่อเวทนาพอทนได้เท่านั้น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 เสวย อ, อารมณ์ตามภาษาทางการเขานะถ้าแปลภาษาเราเราเาเรียกกินอารมณ์เพราะมันอร่อยเรากินมากไปหน่อยใช่ไหมคือเราทานอาหารอร่อยแทนที่จะทานแต่พอดีแต่มันอร่อยเราก็เลยทนต่อสุขเวทนาไม่ได้เรากินไปเยอะเพราะนั้นสุขเวทนาเราก็ต้องทนไม่เสพเข้าไปมากทีนี้พอตรงกันข้ามพอไปเจอแดดร้อนๆไม่มีแอร์ อับอ้าวกวนก歪กับสับกระสัะสยลุกลี้ลูกหลนใช่ไหมถ้าแอร์ดับใช่ไหมเกิดนี้ขึ้นมาทันทีอีกทุกขเวทนาเริ่มเกิดทั้งๆ ท, ที่ยังไม่ไม่ร้อนนะพอแอร์ดับนี่เริ่มตกใจแล้วใช่ไหมแสดงว่าอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าเ น, นี่ยฉันจะต้องเจอภาวะอะไรเป็นอุปทานขึ้นมาอีกตัวทุกขเวทนาเพราะฉะนั้นตัวเววิญญาณตัวนี้ทําหน้าที่เป็นความรู้สึกในห้าในใ น, ในสีรูปแบบ หนึ่งที่เป็นธาตุเรียกว่ารูปถ้าเป็นรูปประธาต์และรูปประขันรูปประธาต์คืออะไรดินน้ํำลมไฟรูปประขันคืออะไรเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพราะฉะนั้นรูปมันจึงมีสองอย่างทั้งรูปประธาต์และรูปประขันแต่ส่วนใหญ่เราเข้าใจว่าขันห้าเนี่ยเป็นรูปประธาต์แต่ความจริงมันต้องแบ่งรูปเป็นสองอย่างรูปประขันคือวสดินน้ําลมไฟแต่รูปประธาต์ รูปประคะรูปขอโทษรูปประขันมีสี่คือดินน้ําลมไฟรูปธาตุมีสรูปประขันก็มีสคือเวทนาสัญญาสังขารมีญาณแต่รูปมีหนึ่งใช่ไหมรูปมีหนึ่งเพราะฉะนั้นรูปจึงเป็นตัวปรมัตย์ยังไงแต่มันจะแยกเป็นรูปธาตุรูปประขันเพราะนั้นจิตเจตสิกรูปนิพพานใช่ไหมที่เป็นปรมัตย์มีสังมี4อย่างจิตเจตสิกรูปนิพพานเนี่ยเป็นปรมัตย์ แต่ทีนี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นปรมาทิติไหม ย, ยังสงสัยดินน้ำลงไฟเป็นปรมาทิติไหม ย, ยังสงสัยแต่มาถ้ามารวมกันเป็นรูปที่ยังไม่ปุงแแ่งออกไปก็เป็นปรมาทติได้นะทีนี้ต่อมาเมื่อเรามีวิญญาณจิตวิญญาณของเราแสดงหน้าที่แรกคือเป็นความรู้สึกตัวที่เป็นเวทนาและความรู้สึกตัวที่เป็นเวทนานี้เป็นสัญชาตญาณเพื่อดูแลรักษา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 ถ้าหากว่าเราไม่ได้พัฒนาตัววิญญาณทุนี้ให้เป็นวิปาาัสนาญาณความแปรปวนของรูปตามกฎของอนิจจังทุกขังนาตาเนี่ยมันจะต้องสื่อเข้าถึงตัวจิตนะตัวนามนะมันรูปกับนามใช่ไหมรูปวิทนาสัญญาสังขารวิญญาณยอเหลือสองคือรูปกับนามรูปและกกบนามนเพราะฉะนั้น นา ม, มันมีสี่รูปมันมีหนึ่งร่างกายมันก็เลยบัญญัติให้เรามีคียอยู่ห้าตัวคือนิ้วทั้งห้าถ้าใครมีหกนิ้วนี่ประหลาดนะ <c oughs> ถ้าใครมี4นิ้วก็ถือว่าขันห้าไม่ครบนะเพราะฉะนั้นเขาจะให้คียมาพร้อมกับไอ้ไอ้ตัวจักรของเขาแหละนะนิ้วเท้านิ้วมือห้าอวัยวะเขทั้งห้าอะไรขาสองแขนสองหัวหนึ่งใช่ไหมก็ห้าส่วนเหมือนกันก็ให้เป็นไ ป, นปนตามกฎของรูปวิทยาาสั ญ, ญ์าสังขารวิญญาณ ทีนี้ในภาพรวมภาพปฏิบัติเนี่ยเรา ท, าท่านเหลือสองรูปกับนามรูปทําหน้าที่ในส่วนไหนทั้งหมดดินน้ําลมไฟดินในลักษณะที่เรายืนได้เป็นธาตุดินใช่ไหมที่เคลื่อนไหวได้เป็นธาตุอะไรเป็นธาตุลมเย็นร้อนอ่อนแข็งแข็งตึงขนัยเป็นธาตุอะไรเป็นธาตุเย็นเป็นธาตุน้ําร้อนเป็นธาตุไฟนะก็อยู่ในร่างกายเยน็นร้อนอ่อนแข็งแข่งตึงอดดินน้ํำลมไฟปรากฏออกมาเป็นความรู้สึก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 อยู่รอดไหมอยู่รอดร่างกายนี้อยู่รอดรอดจากอะไรรอดจากสิ่งที่เป็นอันตรายภายนอกนะที่เกิดจากธาตุทั้งสีดินน้ําลมไฟเมื่ออันตรายภายนอกเกิดขึ้นมีสติสัญชตาตญาณเข้าไปดูแลรักษาเพราะอันตรายภายนอกนี้ทุกคนนึกออกได้ว่าอะไรนะเกิอุบัติเหตุต่ตางๆสิ่งมีพิษต่างๆข้อผิดพลาดต่างๆที่เราก็ไปทำแล้ว เ, เกิดการผิดพลาดขึ้นมาทําให้เกิดทุกเวทนาที่เราทนไม่ได้ เราก็ต้องดูแลรักษาด้วยการอนุมัติระวังด้วยวิธีการต่างๆนะทีนี้ทางด้านนามละ่ะจิตของเราละ่ะมีอันตรายไหมอะไรคืออันตรายของนามหรืออันตรายของจิตนึกออกไหมอันตรายของรูปนี่เรารู้ใช่ไหมรู้ว่าอะไรก็ตามที่มันรู้สึกทำให้เราทนไม่ได้ทางกายถือว่าเป็นเป็นอันตรายทั้งหมดแต่อันตรายของนามหรืออันตรายของจิตได้แก่อะไร อันตรายของจิตเช่นมีอะไรมากระทบตาปุ๊บเป็นภาพที่ไม่น่าพอใจใช่ไหมแต่เราไม่ได้จรวิปสัสนามาก่อนพอสมมติว่าแม่บ้านไปเห็นพ่อบ้านอยู่กับใครคนหนึ่งในห้องใช่หมที่น่าสงสัยเอย้เป็นผู้หญิงด้วยนะั่นะนะ่ะทำไงในใจของแม่บ้านเป็นไงตึกขึ้นมาเลยใช่เป็นความรู้สึก ของเวทนาภายนอกหรือภายในภายนอกรู้สึกยังไงสั่นเทิมหายใจติดขัดใช่ไมแล้วก็มือใจเต้นแรงใช่ไหมมันมันมีผลอะไใช่ไมแสดงว่าชนไปอย่างแรงตึงขึ้นมาแต่ถ้าแม่บ้านปฏิบัติวิปัสนาจากนี้ไปกลับไปบ้านไปเจอภาพตามหูตามตาอย่างนี้เป็นไงดูใจก่อนดูใจใจเป็นไงดูใจจนกระทั่งมัน พระพระท่านบอกให้ดูใจใช่ไหมดูใจเออดูใจมันก็ยังเอาไม่อยู่นะก็ เ, เดินจุกกรมสักพักก่อ น, <c oughs> เ, ดนเดินจุกกรมเดินจุกกมก็ยังเอาไม่อยู่อ๊อนั่งสร้างจังหวะก่อนนะ <c oughs> นั่งสร้างจังหวะเรียบร้อยแล้วไปดูนั่นในภาพอีกทีเอ้ามันไม่มีมหายไปเรียบร้อยแล้วนะพราะมารู้ตัวว่าเรารู้ตัวก็ไปค น, นที่เล้าเราเดินจุกกมให้มันดูนะอันนี้เราได้สติแล้วใช้อะไรทันทีใช้ปัญญาใช่ไหม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 โสมณัสสวทนาใช่ไหมเป็นโสมณัสสวทนาจากสุขเวทยนาเป็นโสมณัสสวทนาในโสมณัสสวทนาเนี่ยชอบเราพอใจแค่นั้นไหมสูงว่าเออนั่งนั่งสบายไม่ไดเอนหน่อยก็ดีเนาะ <c oughs> มันเพิ่มทันทีเลยใช่ไหมความสบายมันก็จะเพิ่มก็เป็นอภิชาไม่ใช่อภิชานะอภิชาคือมองหาความสบายที่มากกว่า น, นั้น อาพิชาเมื่อกี้นั่งสบายๆแล้วยืนนึกว่าเออมันหนักไม่รู้สึกสบายเออนั่งสบายถ้าแค่นี้ไม่มีปัญหาเอาเอนเอ๊ะน้ําชาอยู่ไหนมีอะไรกินบั่งอ่าเพลินแ้วชักเพลินเขาเรียกนันทิใช่ไหมจากนันทิจากนัน ท, นนทิแล้วเอ๊มีอะไรนี่บ้างหาเพื่อนคุยโทรศัพท์ว่าไงอยู่ที่ไหนคุยเพื่อนเป็นราคะ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 เพราะนั้นอันตรายของเป็นราบพิษด้วยอันตรายของนามคือจิตนี้ได้แก่ตัวแรกคืออะไรสุขเวทนาที่ไม่มีสติกาหนดรู้เป็นพิษเป็นอันตรายใช่ไหมเพราะมันจงขยายเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไปเห็นแฟนเราเราเคยมีความสุขเราก็เรียกว่ารักมันก็เป็นสุขเวทนาแต่พอความสุขที่เราถือว่าเป็นของเรา ได้รับการทําร้ายหรือมีการถูกแย่งชิงไปสุขเวทนาที่ไม่อยู่เปลี่ยนเป็นอะไรทันทีทุกขเวทนาเป็นเป็นโทมานัสเวทนาและโทมานัสเวทนาเราก็ไม่เคยมาเจริญสติมันก็แตกรากอย่างรวดเร็วโทมานัสโทมนัสเวทนาไม่กี่โสมานัสใช่ไหมมันไปเปลี่ยนเป็นอภิชาเป็นนันที่เป็นราคะ อีโทมนัสสะก็จะเปลี่ยนมาเป็นกโกรธาขุนเคืองมาเป็นพยาปราะทคับแขนอึดอัดผูกเจ็บผูกใจเจ็บมาเปลี่ยนเป็นตัวโรสัแสดงออกถึงอาการไม่ชอบหน้าตาขึงขังไม้มือเป็นไงแสดงออกมือที่มัน ด, ดึงอยู่มันจะจะงอใช่ไหมมันจะงองอออกมาไม่พอมันก็ช้องที่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 เมื่อไม่ชอบใจไม่ได้รับการตามรู้อีกความไม่ชอบใจก็พัฒนามาเป็นตัวโกโลพยาปาทักคือความคับค้องใจความอึด อ, อัดขัดแยง้งมาเป็นโกลทะมาเป็นโทสะมาเป็นมานะมาเป็นอัตวาทุปาทานมาเป็นภาวะตามลำดับเลยงอกได้เร็วมากดังนั้น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 คีวกระกลืนมีสติตามรู้ใส่สติลงไปคืออย่าอร่อยตามตามอาสาทะคือตามรสพอรู้สึกอร่อยปับ๊บเอามาเองเวลาฉันรู้สึกอร่อยปับ๊บมันก็จะเปลี่ยนเอออันนี้เราอร่อยเกินไปเอามาฉันที่ไม่อร่อยฉันผุนละไม้เข้าไปแทนนะฉันคือจะมีอาหารของเรามันจะมีตัวกลางตัวหนึ่งใช่ไหมผักผลไม้เป็นตัวกลางเพราะนะอาหารที่เราปรุงรสมันก็จะมีรสเปรี้ยวหวานมันเค็มอร่อยไม่อร่อยซึ่งอร่อยเกินไปชอบเราก็เปลี่ยนซะ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 เพรามันเพลินสองอย่างเพลินในทางที่พอใจก็มีใช่ไหมเพลินในทางที่ไม่พอใจก็มีทํางไม่พอใจก็เพลินถ้าเพลินในทางพอใจมันจะนําไปสู่ง่วงถ้าเพลินในความไม่พอใจจะนำไปสู่ฟุ้งซ่านถ้าเพลินในความไม่รู้มันจะนําไปสู่ลังเลสงสัยมันจะแง่งอกออกไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นความเพลินคือนันทิเนี่ยจึงเป็นรากที่สําคัญมากแต่เราชอบใช่ไหมอะไรที่มันไม่เพลินเราทำให้เพลินเล่นไพ่ให้เพลินดูหนังให้เพลิน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 สูงที่สุดว่าระหว่างในสิบรากเนี่ยเอารากตั้งแต่หนึ่งสุขเวทนาสองโสมนัสสาวเวทนา 3. อภิชาสนันทิ 5. ราคะ6 ก, กามตัญหา 7. ภ็วัตันหา 8. ดา ว, าวิภวตัญหา 9. กามุขวทาน 10. กามาสวะเนี่ยทั้ง1ิบรากเนี่ยถ้าสติเราไปตามทันจุดไหนให้ตัดจุดนั้นเลย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 ถ้าเลยไปจากตันหาอววุปทานแล้วไม่ทันแล้วส่วนใหญ่แล้วไปทันทุงไหนไปทนันเวทานาก็ยากเลยใช่ไหมรู้สึกชอบเนี่ยโอ้ฉันชอบไม่ฉันดีกว่าไม่ทานดีกว่าเนี่ยมีไม่เคยมีไหมโอ้รู้สึกอร่อยมากถอยจากเลยไม่ทานต่อเ น, นี่ยมีไหมมีแต่กระโดดเข้าหาตอ่อเลยอันนี้เราเราไม่ทันแน่นอน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 อนุอนเปรี้ยวไม่ทําให้เหนื่อยไม่ทําให้ลาคานไหมสังเกตสํารวจตัวเข้าไปสังเกตสํารวจผลจากการที่อาการทุกเวทนามันกําเริบนี่เนี่ตัวนี้เป็นตัวปัญญาเพราะฉะนั้นตัวสติสธิปัญญาที่ที่เป็นสติแท้ๆเนี่ยมันจะทํางานร่วมกันหนักรู้ว่าหนักรู้ชัดชัดคําว่ารู้ชัดชดไม่เฉยเฉรู้ชัดชัดว่ามันกําเริบขึ้นแค่ไหนก่อให้เกิด อ, อ, อะไรล่ะความหงุดหงิดลําคาญที่เรียกว่า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 น, นี่ถือว่าไม่ถูกต้องเพราะว่าเป็นการทรมานร่างกายทําให้ร่างกายเราปปรเปาาา็นอัมเบริ้งอัมพาตบางที่เพลินไปสวดไปก็ง่วงไปใช่ไหมพูดถูกบ้างผิดบ้างหรือสวดไปไม่ง่วงก็ฟุ้งซ่านไปเพราะอะไรเพราะเวทนานบังคับอยู่หรือนั่งเวนานก็ง่วงใช่ไหมโยงง่วงไหมจะให้อธิบายเรื่องง่วงให้ฟังนะง่วงนะง่วงโยนทักขยากนั่งเห็นนั่งท่าเดียวอะ่ะมันก็หนักใช่ไหมเพราะหนักก็เปลี่ยนเปลี่ยนให้สบายนะเปลี่ยนเป็นทับส้นก็ได้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 ถ้าหากว่าตัวไม่สบายกายหนักไม่มีสติกําหนดรู้เกิดความไม่ชอบใจความไม่ชอบใจเรียกว่าโทมานัสะเวทนาใช่ไหมโทมานัสะเวทนาเกิดพอโทมานัสะเวทนาเกิดสติแล้วก็ตามรู้อีกพอสติเริงอ่อนอยู่ตามรู้ไม่ทันว่าตัวนี้ฉันไม่พอใจแล้วนะก็ยังไม่รู้ต่อไปก็เกิดตัวปฏิฆะปฏิฆะแปลว่าอะไรชักงมุห ง, งิดเร็วเน้อพระองค์ น, นี้พูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องเลยนะช่างมุห ง, งิดเนี่ยเขาไม่พอใจใช่ไหม ก็ตรงนี้เขาเรียกว่าปฏิฆะพอปฏิฆาก็ยังตามไม่ทันอีกก็เกิดพยาบาทะอื่นอาจขัดแย้งอืมเฮ้ยอะไรวันนี้เรามาผิดที่หรือเปล่าไม่สนุกเลยนะฟังแล้วงงงเงยเงี้ไม่รู้ว่านี่ก็เกิดตัวพยาบาทะขึ้นมาพยาบาพยาปาทะขับแขนขัดเครียงขุ่นข้องขัดแย้งอะไรพวกนี้ยพยาบาทะก็ก่อให้เกิดโกรธขุ่นเครียงฉุนมาแล้วก็ฉุนอแล้วก็ อาการเขาออกก็เป็นกลัวทกาก็แกเป็นโทสาก็จะงอกออกมาเป็นตัวมานะมนะงอกมาเป็นตัวอั ต, ตาวาทุปาทานอั ต, ตาวาผู้ประธานงอกออกมาเป็นผวาสะวะรรื้อไปเลยเราตามไม่ทันเลยมันก็เลยไหลออกมาอะไรมากระทบปั๊บรู้สึกไม่พอใจมันไหลออกมาโดยเทีมยมยกตัวเรียกว่ากามาสะวรบางคนเป็นคนที่โกรธง่ายใช่ไหม อะไรกระทบปั๊บไม่ถูกหูถูกปาปั๊บแสดงอาการเลยตรงนี้เขาเรียกว่าการมาสะวะรุนแรงมันไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าสติพัฒนาตามทันเนี่อรู้สึกนั่งนานรู้สึกขัดหนักนะเปลี่ยนแต่ชอบโยมก็ชอบนั่งขัดสมาต์นะนั่งแต่ไม่ยากก็มีนั่งแบบนี้บ้างนะสมมุติว่าัดสมาต์คือแบบนี้ใช่ไหมถ้าแบบนี้บ้างเ่ยเป็นไง จะง่วงเป็นไหมถ้าแบบนี้ถ้าแบบนี้เช่อง่วงไม่ไหวเหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านี้เป็นท่าโยคะเนี่ยต้องต้องทําให้ได้สินะนั่งไปนานๆท่านี้ก็จะทําให้ชํานาญแล้วจะนั่งได้นานไม่ง่วงด้วยแต่ถ้าอย่างเงี้ยง่วงง่ายอันนี้ยิ่งง่วงง่ายเพราะเวทนามันมันทั้งหนักทั้งเบาดังนั้นเมื่อเมื่อเรามีความขัดเครื่องขุ่นข้องเกิดความสําคัญตนเองว่ารู้เบ่าฉันเป็นใครอ่า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 เขนั่งปับกลายเป็นสุขเวทนาแล้วใช่ไหมเขานั่งเปทนาเป็นทุกขเวทนาพอทุกเวทนาปั๊บเราจะยกในช่วงที่เราเปลี่ยนผ่านนี่เนี่ยระหว่างสุขกับทุกขมันไหลหากันนี่แหละเขาเรียกว่าอาทุขเข้ามาสุขเวทนามันมีน้ําใสมีน้ําขุนแล้วเอาน้ำใสน้ําขุนมาบวกกันเป็นน้าอะไรน้ำโคตรโคตรน้ําใสน้อยน้ําใสมากขวดนี้น้ําใสนะขวดนี้น้ําขุนเคี้ยวหน่อย โอใสายก็เอามาบวกกัน<ๆ>ก็เป็นน้ำอ่าผสมกับตัวนี้แหละตัวที่น้ําตอนนั้นเวลาเรานั่งไปสบายก่อนที่มันจะสบายเนี่ยมันจะผ่านตัวนั้นก่อนกึ่งสบายกึ่งไม่สบายแล้วก่อนที่เราจะลุก ล, ลุกมาขยับมาใหม่ๆเนี่ยความสบายไม่สบายมาเริ่มเข้าหากันระหว่างน้ําคุณนกับใสเกิดมาตัวนี้เขาเรียกว่าอทุกข์มสุขเวทนามีบ่อยมเดี๋ยวนี้มีบ่อยไหมมีตลอดเวลาที่เราขยับตลอดเวลา แต่เราเคยตามรู้ตัวนี้ไหม <S <S เคยเห็นตัวนี้ไหมตัวนี้เองเป็นตัวสําคัญคือตัวเชื่อมต่อระหว่างสุขกับทุกข์สุขก็พอรู้ได้ใช่ไหมทุกข์ก็พอรู้ได้แต่อัตุขกรมสุขเนี่ยรู้ยากตัวนี้เรียกว่าอัตุขกรรมสุขพอมันพัฒนาเป็นเวทนาะเรียกว่าอุเปขาเวทนาะสุขเวทนาพัฒนาเป็นโสมนัสสุทุขกขเวทนาพัฒนาเป็นโทมนัสสุอทตุขกมสุขเวทนาพัฒนามาเป็นอุเปขาเวทนา อุปเขาเวทน า, าภาษาไทยเลยจะว่าไงอ่าเขาเรียกว่ารู้ซื่ อ, อแต่ไม่ใช่รู้ซื่อแบบหลวงพ่อเทียนรู้เรามาใช้เติมอีกคํานึงรู้แบบซื่อบือ้อใครอธิบายว่ารู้ซื่อบือ้อรู้ยังไงอธิบาย มันก็จะงงๆอะคะ่ะไม่แน่ใจว่าตกลงรู้หรือไม่รู้อย่างเงี้ยค่ะรู้ซื้อบริแล้วก็ทําอะไรไม่ถูกอย่างเงี้ยค่ะงงงงงแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่างงๆด้วยบางทีมันมันเยอะอย่างไปหมดเลยค่ะ <c oughs> แล้วก็ยังยังยู่งงงๆทาอะไรก็ไม่ถูกอย่างนั้นนะคะรู้ซื้อบริษัท อันนี้เขาเรียกว่าอุปเขาเวทนามีอยู่ใช่ไหมเคย <c oughs> มีค่ะบบ่อยอุเปกขาเวทนาถ้าไม่มีสติกำหนดรู้อีกมันจะพัฒนาเป็นอะไรพัฒนาเป็นโมหะพัฒนาเป็นโมหะโมหะแปลว่าหลงไหมหลงกับลืมเนี่ยต่างกั น, ย, นยังไงลืมแปลว่าจำไม่ได้หลงแปลว่า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 พูดให้เราไม่พอใจเราก็ถูกหลอกอีกหลอกให้อะไรให้โกรธให้ไม่พอใจถูกหลอกบ่อยไห ม, ไมนั่นอนะเรียกว่าหลงล <laughs> ่ะเราถูกหลอกด้วยความไม่รู้คือหลงนะเพราะนั้นหลงลืมระหว่างคาว่า forgetfulness กับ delusion นะคนละเรื่อง forgetfulness คือความลืมใช่ไมแต่เขาเป็น delusion คือความหลง delude แปลว่า you are delude you are ถูกหลอก you are delude by You ่อ e ดีฟายให้มันอยู่ถูกหลโดยกิเลสของคุณใช่ไหมเพราะนั้นจะเห็นว่าตัวเวทนาทั้งสมถ้าสติตามไม่ทันแล้วเนี่ยมันพร้อมที่จะเป็นรากยาวเลยนะโดยเฉพาะตัวอัตุขมสุเวรารากยาวกว่าทั้งสองรากอีกทั้งสองรากรากละสิมีรากเล็กรากฝอยรากละ1ิใช่ไหมแต่อัตุขมสุควรามีถึง15บรากเช่นอะไรบ้างเมื่อไม่รู้ขณะ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 ก็ลืมดูไปอีกว่าความสบายเกิดขึ้นได้อย่างไรรู้ว่านั่งแล้วสบายแต่เราไม่ได้ตามดูมันมาอย่างไรไม่เห็นการเกิดและไม่เห็นการดับไม่เห็นการดับไปของความหนักที่ก่อนที่จะนั่งและไม่เห็นการเกิดขึ้นของความเบาที่นั่งไปแล้วตรงนี้เรียกว่าขาดสติละนี่คือสติในแง่ของวิปัสสนาต้องเห็นในลักษณะไมโครฟิลิ่งขอโทษนะต้องใช้คานี้นะคือในในหน่วยย่อยของความรู้สึก เมื่อเราไปเห็นตรงนี้ปับ๊บบ่อยๆตรงนี้ถ้าสติรู้เท่าทันว่าเ ม, ามาื่อวานว่ า, าถ้าสติรู้เท่าทันสุขเวทนาว่าทุกครั้งเมื่อเกิดสุขแล้วเราไม่ตามเข้าไปแล้วเราเข้าไปจัดการสุขเวทนาให้เป็นระเบียบได้ตรงนี้เขาเรียกว่าศีลศิลปะคนนั้นมีศีลเพราะนักคนที่เป็นศิละปะจะเป็นเป็นคนลาค่าจลิต เพราะว่ามีความชอบแต่บริหารความชอบออกมาเป็นตัวศิละปะเพราะนั้นจะรักสวยรักงามแต่งดอกไม้แต่งเสือ้อแต่งผ้าแต่งอะไรต่างๆพวกนี้เป็นราคาจริตเพราะมีความชอบความพอใจแต่บริหารความชอบความพอใจออกมาเป็นศิละปะเพราะฉะนั้นเมื่อมีสติตามรู้สุขเวนทนาศีลจึงเกิดขึ้นทันไหมทันนะเมื่อสติตามรู้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 เพราะนั้นสติตามรู้ทุกเวทนาเกิดเป็นสมาธิแล้วต่อมาถ้าสติตามรู้อทุกรรมสุขเวทนาคือความไม่แน่ว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ถ้าตามรู้ได้ทันมันเกิดเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นสีนสมัมผัิทปัญญาก็เกิดการที่สติเข้าไปตามรู้เวทนาทั้ง3คือสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกรรมสุขเวทนาถ้ามีสติปัญญาเข้าไปตามรู้ grammar, ทันมันกลมาเป็นศีน <IS k> สมผัิปัญญา แล้วงานศิละปะก็เกิดขึ้นโทสะก็งานของความเมตตาก็เกิดขึ้นเพราะมีความตั้งใจมีความอดทนมีสมาธิเมตตาเกิดขึ้นแล้วในส่วนที่เป็นตัวอุทกเมสุกนามีตัวนี้เข้าไปรู้โดยสติเข้าไปรู้มันกลายไปเป็นยาเป็นยานทัศนะมันมันเปลี่ยนกระดุม น, นั้นนิดเดียวเองแต่การที่เราไปเสพเวทนาเสเป็นเก้าเปอร์เซน ใช่ไหมมันก็เลยเป็นศีลสมผิปัญญาไม่ได้กลายเป็นราคาโทสามหาทาั้งๆที่เราปฏิบัติภาวนานแต่ราคาโทสามหาที่แนบเนียนขึ้นที่ละเอียดขึ้นที่ประณีตขึ้นเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นมาม า, มาเห็นดูนโอ้แล้วใครจะไปรู้ทันก็มีทางเดียวคือเราจะต้องพัฒนาตัวรู้เนี่ยอย่างต่อเนื่องไม่ใช่มานั้งสร้างจังหวะโดยจะ ก, กลแค่นี้นะ คุณจะหยิบหยับจับช่วยไม่ได้ดื่มน้ํากินข้าวไม่ได้ตเตะเก้าอี้เนี่ยก็รู้ตัวนะให้รู้ตัวว่าแต่เตะไปแล้วแล้วไปนะให้รู้ว่าอาต่อไปให้รู้ตัวว่าอย่าเตะเท่านั้นเองอันไหนที่คือเราจะไประวังตัวเองให้ถูกต้องตลอดเวลาไม่ได้แต่ในเมื่อผิดพลาดไปแล้วต้อง ต, งตั้งตั้งต้นใหม่ทันทีตั้งใหม่หลายครั้งตัวหลายครั้งเข้ามันคือจะมั่นคงแต่ส่วนใหญ่เราผิดแล้วผิดเลยใช่ไหมแล้วก็ไม่ตั้งพอไม่ตั้งใหม่มันความมั่นคงมีไหมไม่มีนะ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 สุกกับทุกจะผสมผสานกันอย่าสุขเกิดขึ้นก็อย่าพึ่งเสพทุกเกิดขึ้นก็อย่าพึ่งไปเสวยแต่ให้ดูสุกกับทุกไปเรื่อยการดูสุกดูทุกชัดๆที่เองมันจะกลายเป็นตัวปัญญาเข้าไปสู่ตัวตัวตดโมหะเลยแต่การไม่สุกเกิดก็เสพทุกเกิดก็เสพมันก็จะไปสร้างทั้งราคะโธสามโมหะเพราะนั้นตัวรู้ถึงสาคัญมากดูรู้สึกตัวนี่นะ นั้นเราจะไปเอาความรู้สึกตัวจะนั่งกําหนดลมหายใจจึงไม่พอไม่พอเพราะฉะนั้นจะเอาความรู้สึกตัวทั้งหมดเลยหายใจให้ลึกลืมตาให้กว้างฟังทุกเสียงของทิเบตอะฟังทุกเสียงเหมือนเสียงสวดมนต์ดูคนทุกคนเป็นพทธเจ้าอยู่ที่ไหนนิพพานที่นั่นอันนี้อันนี้เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นคำขนของทิเบตนะฟังเสียงทุกเสียงเหมือนเสียงสวดมนต์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 เราก็เอ า, มาเมล็ดหันหุ์ขงพุทธานี้ไปลงดินไปลงในดินในรูปในนามอันนี้แล้วดินนี้จะต้องมีปุ๋ยมีน้ำคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นปุ๋ยเป็นน้ำเป็นอากาศความเพียรเป็นแสงศรัทธาเป็นน้ำสมาธิเป็นดินสติเออยปัญญาเป็นผู้จัดการสติก็เป็นตัวมเมล็ดพืชเองนะดังนั้นเราจะเห็นว่าอ การที่เรามีรูปมีนามนี้ไม่พอจะต้องมีศรัทธาวิริยะสติสัสมปัญญาด้วยอันนี้เป็นคุณสมบัติเบื้องต้นของบุคคลที่จะเข้าถึงตัวสภาวธรรมอันนี้คือส่วนหนึ่งคือจบในเรื่องของสมมุติตัวปรมัติจะฟังต่อเลยไหมหรือว่าจะพักยกก่อนขอพักยก ปฏิบัติประมาสักสิกนาทีตั้งสติก่อนไม่งั้นสิ่งที่ฟังมาทั้งหมดลืมนะโอเคนั่งปฏิบัติร่วมกันสักพักหนึ่ง